ตั้งธรรมเนืองด้านปฏิบัติขอให้ทำจิตทำใจของตัวเองให้สงบอยาคิดอดีตอนาคตปล่อยวางละทิ้งไปหมดไปอยู่ในปัจจุบันในอย่างนั้นจิตจะไม่มีความสงบถ้าเราตั้งจิตของเราไว้ดยดีย ธรรมะคือการแสดงไปก็่าจะไหลลงอู่จิตใจของตัวจิตใจที่จ้องอยู่ไมมีอารมณ์ภายนอกเมื่อธรรมะพอไปตลอมก็่าจะได้รับความสงบสบายเยือกเย็นนี่คือเรื่องทางธรรมะทางปฏิบัติในใจเราจะได้จดจำเอาทุกถ้อยทุกคำที่กันแสดงไป หน้าจิตของการแสดงอะไรก็เป็นเรื่องของท่านพวกของเราคอยจะจ้องจิตของตัวอยู่นั้นนะฮะอารมณ์อดีตอนาคตมาเกี่ยวข้องอจิตไ้รับความสงบตรงรวมเยือกเย็ยนแจะเห็นอา น, นิสงส์ของการฟังการตังเทศเป็นการปฏิบัติไปในตัว ปฏิบัติแต่ัวรของเราก็ okay, เค่ปฏิบัติมาแต่มาปฏิบัติต่อหน้าดูอาจารย์มีการสดับรับฟังกับเราเปฏิบัติสหงื่วนัวรของเราเป็นอย่างไรตามรู้ความเห็นตามสงบเย็นของใจให้วัดดูตอนนั้นการสแสดงธรรมก็ไม่มีเรื่องจ ะ, สะแสดงอื่นออกไปจากกายจากใจ พอเลี่ยงกิเลสตัณหาดีชั่วผิดถูกมักผลอะไรมีอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราท่านกายใจเป็นตัวประทานสำคัญหากไม่มีกายไม่ีใจใจก็เหมือนโจรไม่มีอาวุธไม่ทราบว่าจะไปต้นไปที่เสียขาไปทีที่ไหนทำอะไรไม่ได้ อมีใจใจเป็นอย่างนั้นแต่มีใจใจส า, ายเดียวเมีใจก็เหมือนคนตายเหมือนถอนไม้ถอนซืนไม่เป็นสาระประโยชนแต่นั้นที่พวกเราท่านมีทั้งตายทั้งใจทั้งสองอย่างจึงเป็นอาวุธสําคัญทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคนที่มีตายมีใจ ทำไปได้ทุกอย่างไม่ว่าทางดีทางชั่วทางชั่วกว่าอาศัยกายใจเป็นผูกไปกระทำทางดีกว่า อ, อาศัยกายใจเป็นผูกแต่ทำอีกเหมือนกันฉังนั้นเรื่องกายใจจึงเป็นของสำคัญที่นักปฏิบัติแต่สองพินี่เจรานาในรู้จักรักษาตัวข้องตัวมาเห้ ไปทำทั่วคิดทั่วต่างๆ ร, mm. รักษาเดยสติรักษาโดยปัญญาหาธรรมะแงสอนจิตใจให้ซุ่ลงลงคิดเนกไปสู่เรื่องทั่วเรื่องเสียพยายามเอาสติรักษาใจให้ไข่อาจทำอยู่สม่ำเสมอ ใจที่เคยวอกแวกคิดนึกไปในทางขั่วทางเสียก็ค่อยจะสงบเย็นข้าไปเมื่อมีธรรมะเฉียงหล่อเลี้ยงจิตใจใจจะได้รับความเย็นสามสบายหากไมีธรรมะใจก็จะต้องไหลไปตามสัญญาอารมณ์อย่างที่เคยเช็นมานตาว่าอาดีตผ่านมาแล้วกีเดือน4ีปี ิใจไปคิดไปปรุงแล้วก็หลงเปิดเชิดจิตข้อในอารมณ์อดีตต่างๆอนาคตยังไม่มาถึงก็ขวามาาจะทำอย่างนั้นอาจะทำอย่างนี้มี่เรื่องของใจไฟจะอยู่ปัจจุบันวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้เพราะไม่มีสติ เป็นเรื่ ง, งรักษามีปัญญาเป็นเสื่ ง, งแนสอนดังนั้นผู้ปฏิบัติทำแต่เชียงห้ยกำหนดที่นี่จุฬาลัาเรืเ่องกายใจทองตัวว่ามันชั่วมันดีอย่างไรปัจจุบันอยู่กับอารมณ์อะไรควรหรือยังอารมณ์ที่อยู่กับจํำใจของเรานี้เป็นสายดีสายชั่วอย่างไรสมกัวบว่าเราเป็นนักปฏิบัติ หรือยังถ้าหาอารมณ์มันทั่วที่เข้ามาเกี่ยวว้งกับใจเราไม่ชำระสาวสางอะไรชื่อว่าเราได้ชืี่ยวนักปฏิบัติแต่ตัวของตัวเองในปฏิบัติเพราอารมณ์ทั่วอารมณ์เสียยังจิดข้องจิตใจของตัวอยู่นี่เป็นทางแนวสอนตัวของตัวเราพิจารณาอารมณ์ที่ดีเรียกว่ากมรมฐาน จิตอ่านสอนใจใหายใจรู้เห็นตามเป็นจริงในเรื่องของกายในเรื่องของโลกอย่างเรารู้เห็นเรื่องของกายเราเท่านั้นเรื่องทั่วโลกมันจะจบกันไปพราะโลกมันก็มีทํานองเดียวกันกันกบเราสาหัสเราไม่หลงตัวของเราแล้วโลกก็ไม่หลงด้วยมาก ที่คนธรรมดาก็มักอยากจะหลงมนุษย์เดียกันคนเดียกันคนนั้นอะไรเป็นคนกันแน่ในที่นี้ที่าจรนาแยกแยะดูผมหรือเป็นคนขนหรือเป็นคนเล็บฟันหรือเป็นคนหนังหรือเป็นคนกระดูกหรือเป็นคนสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นคนหรือไม่ิจรนาให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงยอมจำนน ว่าคนนั้นเียงแต่สมมุติความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ใจจะไม่สิตไม่คล่องไม่ยึดไม่ถือเพราะสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้นำธ า, าตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์ แต่ความจริงธาตุทั้งสี่เขาก็ไม่ใส่ว่าเขาจะอยู่รวมกันเลื่อยไปในวันใดกววันหนึ่งเขาจะส่งแต่สลายไปตามธาตุของเขาดินก็จะไปเป็นดินน้ําลมไฟก็จะไปตามเรื่องของเขาอากาศดินญาณ ก, เก็เหมือนกันเหนือเราทุกท่านที่นี้พี่เจนาธาตุขันของตัว ดยอุบายปัญญาวยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พอใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วโลกทั่วไปก็ไม่มีอะไรที่จะข้องสิเพราะจิตรู้เรื่องของกายตัวคนสัตว์ทั่วไปก็ไม่มีการหลงจะไปหลงทำไมแต่ตัวข้องตัวก็ยังรู้ว่ามันมีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์หรือแต่ที่ไม่เิจารนา โดยอุบายปัญญาเพื่อให้จัดจิตเบือหนายในทางราชาตัญหาก่อพิจรารณาสุภาสุพันพอหลางกายของพวกเราท่านประกอบเด็กถาดทั้งสี่และถาดทั้งสี่นี้ก็เป็นของสกปรปกในแต่ของสะอาดหลางกายของหญิงของชายทั่วไปในแต่ของสะอาด เกิดจากท้องสกปรกโสมเป็นอยู่ด้วยท้องสกปรกโสมอีกเหมือนกันอาหารการขบฉันรับทานเป็นท้องเน่าของเสียเก็บไว้นานไม่ได้พอเป็นท้องสุกของตายเกี่ยเอามาบริโภคเก็บไว้นานๆหน่อยก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นสิ่งเหล่านั้นแหละมาเป็นเนื้อหนังเอ็น กระดูกของเราในใจ้องดูด้องดีอะไรเป็น้องเน่าของเหม็นแต่นั้นในตัวของเราทุกท่านจึงเป็มไปด้วยของปฏิกูลพเอาของปฏิกูลบำรุงรักษากายจึงเจริญเติบโตขึ้นถ้าขาดอาหารการบำรุงกายก็จะเหี่ยวแห้งแตกสลายไปตามหน้าจีของมันแต่นั้นเรื่องของกาย ท้าหาที่เจานาแยบทายด้วยอ่ะสุภาษัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องควรจะกำหนดยินดีด น, นิ่งใจเพราะทุกอย่างในถ่านในขันเป็นไปดือยของไม่สะอาดเป็นไปด้อของสกปรกที่เราไม่ดูหรือดูผิวเผินก็เข้าใจว่าเป็นของหรือของงาม อะไรในตัวโดยที่มองเห็นเคลื่อนในดูพอไปถึงความเป็นจริงของกายหลงแต่หนังทายนอกห่อหุ้มเอาไว้หนังก็ขัดสีอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นโปสตกปรกล้างอยู่ทุกวันชำระอยู่ทุกวันหนังของเราท่านจึงไม่มีจริงแต่เชิงอย่างนั้นภายใน ที่เราสำลักสาสมไม่ได้ออกมาไม่ว่าอะไรเพียังจะล้มออกมาจากภายในก็มีสิ่นก็แสดงว่าภายในทั่วไปเป็นขลองเน่าเป็นคลองเหม็นไม่เกิดคลองสวยขลองงามคลองดีคล อ, องดีอะไรถ้าพิจารณาภายในเราติดของในรูปว่ามันสวยอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้เจะพยายาม นี้พิจารณาตามเป็นจริงในเรื่องของลูกดึงใส่ออกมามาพันตามตัวของเราไหนบ้างใส่ของเราเองหรือใส่ของลูกที่เราลักเราชอบใจเราจะเต็มใจไหมจะยินดีไหมสบายไหมคนเสี่ยงใส่มารัดตัวมาแขวนคอสวยไหมงามไหม ถ้าไม่มไส้มันเป็นอย่างไรหรืคนคนนั้นมันต้อง้ายหรือไส้นี่ยหรือเป็นของเชื้อของงานไหมอยู่ในไส้อะไรอีกละ่ะอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในไส้ในภุงมันสวยไหมตกออกมาเป็นอย่างไร่อที่นี่พิจารณาเพื่อแกไขจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้ติดข้องเรืร่ออาหารการอยู่กินของเราหมือนเวลาอยู่ในจานในถ้วย ทางนอกกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปขบเที่ยวเข้าไปในป่าถูกน้ําลายถูกมูลฟันต่างๆคายออกมาเป็นอย่างไรนั่นแหละอยู่ในท่องในไส้ของเราก็ทํานองเดียวกันไม่ใช่ฟองดิบฟองดีอะไรในหน้าคบหน้าฉันหน้าอยู่หน้ากินแต่เธอว่าตาของเราไม่เห็นมันอยู่ในป่าก็เลยกลืนได้ถ้าหากคายออกมาในต้าอีก จะคืนจะอาหารอร่อยดีขนาดไหนก็เป็นอย่างนั้นพอไปถูกกับมูลฝันถูกกับน้ําลายทําให้อาหารนั้นกลายเป็นสีอื่นเรื่องอื่นไปจะเอาไปขายที่ไหนขายไม่ได้ขายได้เขากไปให้เป็ดให้ไก่ให้หมูให้หมาไม่ใช่ว่าจะเอาไปรับทานบริโภคนี่มันตกกระปรงเรื่องของกายฟันก็เหมือนกัน หัดอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมูลฟันปิดอยู่ตกหล่นออกมาเป็นอย่างไรก็น่าเกียดในหน้าชมไหว่าอะไรที่เราคิดข้องพยายามที่จะระน า, นาให้รู้ให้ส้ายใจตามเป็นจริงเราก็จะไม่คิดข้องเราก็จะไม่ยึดถือเราก็จะไม่เลยหลงเมื่อยไม่หลงไม่คิดข้องมันก็มีความสุข ความสบายใจของพระใจของสมณะที่จะสงบได้กว่าอาศัยพิจรารณาเรื่องร่างกายของตัวพิจาอาให้รู้ทั่วเข้าใจถึงถึง ร, รเสียงดินรถจวนี้อยู่ทั่วโลกแต่ท่านพิ่เจ้านาร่างกายของท่านด้วยสติด้วยปัญญาเข้าใจทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัย เราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นโลกก็เลยเสมอกันไม่มีที่ลุ่มที่ดอนที่สูงที่ต่ำผูดถึงอนิจจังความหยเที่ยงของธาตุขันมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าผู้ยิ้มไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าสมณะไม่ว่าสารวาไม่ว่าแต่สัตว์ไม่ว่ า, ว า, า, ว า, า, วาราษฎรธรรมดามันเสมอกันไม่มีอะไรสูงต่ำผิดแปลกแตกต่างกันเกิดมาก่าแปรปวน ไปตามธรรมชาติของถาดผันปวดถึงทุกข์ขังความเป็นทุกข์จิตจิตไม่รู้เท่าความเป็นจริงก็เกิดทุกข์ขึ้นเพราะยึดถือว่าอันนั้นเราอันนี้ของของเรายึดถือไว้มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวหน้าที่ของมันเป็นไปอย่างไรนั่นก็สลายไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้น จริงว่าอนัตตาตใต้รักทั้งสามนี้มีเสมอกันไม่ว่าชาติชั้นวันหนใดเป็นไปเสมอกันเมื่อพิจารณาตัวของตัวทั่วถึงเท่านั้นก็ทั่วถึงทั้งโลกไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันเหตุนั้นจึงไม่หลงแล้วสงบระงับดับความคิดปรุงติดข้องต่างๆ ราษฎรหาฝากควรนกำหนัดควรยินดีควรนจอบเออจูบควรนกอดอย่างนั้นอย่างนี้มันหายไปเพราะอะไรเพราะตัวของเราอย่างไรเขาคนอื่นก็อย่างนั้นนี่เป็นทางที่เจริญนาแกกจิตใจของพวกเราข้ามให้สงบให้เห็นให้เป็นสมณนะแห้มีความสุขความระงับดับที่เหลือตัณหาถ้าหากมองข้าม ไม่ติดตามธรรมะไม่พิจรารณากายใจของตัวแล้วจะไปอยู่สถานที่ใดใจก่อคิดปรุงปุ่งไปตามเรื่องของกิเลสตัณหา น, านานักคิดคิถักดันเลื่อยไปไม่มีวันที่จะสงบใจจะเบาสบายทางที่สงบได้ก็อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยิงหมั่นทีินิด ที่จะเล่นนะเรื่องกายใจของตัวกายใจ น, นี้เอาไปทําชั่วมันก็เป็นคนชั่วไปได้เยียไปได้ทั้งคนอื่นก็เกลียดชังทั้งตัวเองก็เดือดร้อนนี่คือการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วถ้าหากทาในทางที่ดีตัวเองก็เยือกเย็นมีความสุขไม่ตาหนิว่าตัวได้ทําชั่วคิดชั่วพูดชั่วอย่างไร ใจเบาใจสบายคนอื่นที่เห็นก็เย็นกายเย็นใจเพราะไม่เป็นภัยอันตรายต่อเขาแต่นั้นเราอยากจะเป็นคนดีมีคุณค่าต้องหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณากายใจของตัวละทั่วบำเพ็ญดีให้เทวีคูณขึ้นทำดีเท่านั้นแหละเป็นของที่น่าจะทำ มีอะไรที่จะวิเศษประเสริฐไปกว่าความดีความดีนี้เส้นสิ่งที่ปรารถนาทั้งคารวะทั้งบรรพชิตทั้งสัตว์ต้องการความดีความสุขความดีความสุขโดยส่วนใหญ่ก็คือสุขของใจเงื่อใจมีความสุขใจมีความสงบใจมีความสบายจะไปสัานที่ใด ก็มีความสุขความส ง, งบสบายไปด้วยพอใจสุขใจสบายพยายามทำใจให้สุขให้สบายด้วยการกำหนดพินิติจรณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อใจทุกข์จะอยู่สถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายหัดคล้องเห็นอะไรก็เป็นภัยแก่จิดแก่ใจของตัวได้ยินอะไรก็เป็นภัยอันตราย นี่เคืือใจไม่สบายใจไม่สงบทางสัานจิ่เขามีความดีอยู่ในตัวของเขากงมากอยากแข่งว่าเขาทำอย่างนั้นชั่วอย่างนี้เลยจิตของเราไม่ดีถ้าจิตของเราดีแล้วไปสถานที่ใดไม่มีใครอันตรายจิตจึงมีความสุขความสบายถ้าเรียกเจ้าถั่วไปถ้ามีจิตใจสงบเยือกเย็นอย่างนั้น ยึ่งเป็นหน้าฝาบหน้าไหวหน้าสักการะบูชาพวกเราทั่วกไปอยากจะเป็นอย่างนั้นก็พึ่งปฏิบัติกายใจของตัวตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเอากิเลสตัณหาเป็นศาสดามันอยากจะคิดจะปรุงอะไรอยากจะพูดจะทำอะไรทำไปตามอําเภอใจตามความผักดันของกิเลสค่ะเื่อเรื่องของกิเลสก็ไม่มีวันเวลาที่จะประสบ ธรรมะคือความสงบประสบความสุขอันประเสริฐมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะรุมกายรุมใจอยู่ตลอดไปฉะนั้นพวกเราท่านที่ตั้งใจมาต่อเพื่อปฏิบัติเพ่งฝึกหัดอบรมตัวของตัวและชั่ว บ, บําเพ็ญดีศึกษากายใจของตัวให้ทั่วถึง พอสถานที่ศึกษาสติปัญญาของเราก็มีอยู่มันคิดชั่วรุ้งชั่วมันทํำไมคิดได้จะบังคับใจให้ที่นี้พิจารณาความดีมันทําไมจะบังคับไม่ได้สถานที่จะพิจารณาก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีครูอาจารย์ทีนี้สอนอุบายปัญญาที่จะให้ที่นี้พิจารณาก็มีอยู่เราทําไมฝ่าฝืน เราเป็นสิทธของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสิทของเทวทัตเรามาปฏิบัติหรือมาทําลายศาสนาให้มันที่นี้ที่เจอสืบสอบตัวเองสอนตัวเองการกระทําทความดีให้มันขยันกระทําเพราะความดีเท่านั้นจะยังตัวของตัวให้เป็นผู้มีสุข ถ้าไม่มีความดีหละหาสุขไม่ได้ไม่ว่าสุขทางกายสุขทางใจไปสถานที่ใดก็เป็นคิดเป็นภัยไปสถานที่ใดเขาก็ขับไล่ไปสถานที่ใดเขาก็รังเกียจหากเรามีความดีไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดไม่มีเวรมีภัยเขาชอบเขารักจึงควรจะสร้างความดีให้มีแก่ตัวของตัว ความดีนั้นเกิดจากด้านของใจเกิดจากภายในเป็นสำคัญหากภายในดีแล้วส่วนภายนอกก็พลอยดีไปด้วยหาภายในไม่ดีภายนอกดีก็มีวันที่จะแตกสลายเสียหายไปได้คนรูปงามเห็นใหม่ไม่รู้จักอัธยาศัยใจคอ โดยมากก็ชอบกันว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้พอรู้จักอัธยาสายใจคอเป็นคนไม่ดีโหรายต่างๆนานาใครเล้าเขาจะนิยมเชื่อถือชอบคอคนเช่นนั้นเหมือนกันกับดอกไม้ที่สีสวยงดงามมองเห็นแต่ไกลยังไม่ได้กินก็ชอบว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้อยากจะได้ไปปลูก ไ, ไว้แต่พอเข้าไปไปไดสิ่ตินมันเน้นเป็นคิดเขาก็ไม่ชอบมันมีทางเสียหายจิตใจของพวกเราท่านเหมือนกันรูปร่างกายเป็นมาจากกรรมเราทำเอาไม่ได้จะเป็นคนดาคนขาวคนขี้ริวขีเหร่หรือคนสวยงามเป็นเพราะกรรมที่เราทำมาแต่เก่าปอน แต่มาดัดแปลงแก้ไขจะให้มันเป็นไปตามความต้องการทองใจเป็นไปไม่ได้ตามจะให้มันสูงขาวจะให้มันดําหรือดำจะให้มันขาวเป็นไปไม่ได้หน้าตาสั้นยาวขนาดไหนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของกรรมที่เดินบันดาลให้ในะมีใครที่จะแก้ไขแปลงใหม่ให้มันเป็นไปตามใจได้ มันเป็นมาจากกรรมเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ด่านจิตใจแก้ไขได้จิตใจที่เคยชั่วเคยเสียเคยปรุงเคยคิดในเรื่องนอกพยายามเอากติบังคับเอาปัญญาแน่สอนให้มาทำคุณงามความดีกำหนดความดีเชื่อความดีแล้วทาตามไปจิตใจ นั่นเป็นเรื่องแก้ไขได้จะมีความดีประจำใจเรื่อยไปพอเห็นความดีเป็นของมีคุณค่าใจเป็นเรื่องแก้ไขได้อย่างนั้นแต่กายแก้ไขไม่ได้เป็นมาอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของมันแต่ถึงอย่างไรจะเป็นอย่างไรเรื่องของกายมันก็จะไปสู่เรื่องของความตายเท่านั้น สวยจ้ะงามจะ้ะสีเรลี่ยีเหล่ก็ไปสู่จุดเดียวกันคือความตายแต่เรื่องของใจ้าหากเราชำระสารสางล้างชั่วไม่หมดใจนั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกตามคติมีมิตตามอำนาจพลังของธรรมที่เรากระทาเอาไว้เกิดพบน้อยพบใหญ่ ไปได้หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นผลที่สุดถ้าหามีคนมาถามเกิดกับตายอะไรก่อนกันเราก็จะตอบอยากอีกเหมือนกัน้าไมตายมันก็วไม่มาเกิด้าไมมาเกิดมันตัไม่ตายเหมือนกันกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเราไม่สามารถที่จะตอบได้นี่คือมันอยู่ในวงของสังสารวัชรของความหมุนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นั้น มีหมายถึงจิตถึงใจที่ยังออกจากวงล้อมไม่ได้จะต้องเกิดต้องตายเรื่อยไปแต่ถึงอย่างไรคุณงามความดีที่พวกเราท่านอุตส่าห์พยายามแต่ทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามีความดีติดตัวถึงไปเกิดอีกก็ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขพอสมควรแต่ก็หมุนไปไหลมาอยู่ตามเรื่องของกิเลสตัณหา ที่เรายังทำลายมันยังไม่ขาดยังไม่สิ้นจนเมื่อใดจิตใจมีกำลังพอคือมีความดีพอเมื่อนั้นแหละจะทำลายวัตปรจักษ์ให้หมดไปจากใจใจจะมีความเป็นอิสระไม่กลับมาสู่พบสู่ทราบอีกหมดการเรียนร่ายใยเกิดรู้ประจักชาชัดเจนในตัวของตัวเอง เราพบชาตหมดไปไม่มีอะไรเหลือหรออยู่หรือตายคุณค่าเสมอกันเพราะเราได้ดทาลายวัตถาจากักออกจากจิตใจท้องตัวหมดแล้วความอยากที่เคยเป็นเคยเห็นมาแต่เก่าก่อนหมดอยากจะไปนิพพานก็ไม่อยากอยากจะไปที่ไหนอยากจะอยู่จะตายไม่มีหมดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างไป ธรรมบริสุทเป็นอย่างไรเห็นไปจากสุโควีเรโกเป็นอย่างไรวิเวกเพราะใจไม่เชี่ยวข้องกับอารมณ์ทัานยากับเจเลตันหาณที่ท่านตีตารางสุขขังสุขเลิศประเสริญยิ่งกว่าความสุขถั่วไฟไปจากในใจของผู้กว่าพืชปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติ่านรู้ท่านเห็นเด่นชัดในพระไทย จึงมาสอนพวกเราคือตัดตัดหมา้ถึงผูกข้องข้องด้วยอะไรข้องด้วยรูปเสียงกินลดล้องด้วยยิเรศตัณหามานาัชกีต่างๆให้หาทางพยายามแก้ความล้องของตัวไปสู่ความสุขอันสมบูรณ์ไปสู่อิสระอย่างเต็มที่ท่านมีตาเมตตาสงสารมีกรุณาแนสอนอย่างนั้นพวกเราท่านจะไม่เห็น อกเห็นใจเห็นพระไทยของอท่านหรือท่านไม่ได้คิดเอามูลค่าสาระอะไรจากสังโลกมุ่งอยากจะให้มีความสุขความสบายเท่านั้นจึงนเหล่นีสอนไม่ได้คิดเอาอะไรจากเราผู้ประพฤติปฏิบัติถึงเราประพฤติปฏิบัติดีวิเศษแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ท่านดีขึ้นอีก เพราะความบริสุทธิ์ของท่านเป็นอย่างไรพบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเนื่อพวกเราท่านไม่ทาตามท่านจะเสียหายไปอย่างไรก็ไม่มีเสียอีกแต่ยังคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นคือจิตของท่านเหนือโลกพวกเราทุกคนจึงสนใจรับปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนบังคับกายวายจาใจ ให้เป็นไปตามอัตธรรมศึกษากายศึกษาจิตของตัวให้ทั่วถึงความลุ่มหลงจิตคล่องต่างๆจะตกไปเบาไปเพราะรู้เรื่องของกายตัวเองเป็นอย่างไรกายของสัตว์อื่นคนอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นทางศึกษาเป็นทางพิจารณา เนเหลื่องที่นำมาไขจิตไมห่หขจิตไปปรุงในทางส่วทางเสียกายอันนี้ค่ะที่นี้พิจารณาไปทางไม่ดีทางส่วทางเสี ย, ย, นนสสยก็ทำให้กำหนัดจินดีทำให้ยิเลตตัญหามานาทิจิกํมเลิกถ้าพิจรารณาทางธรรมะพิจารณาถูกทางยิเลตตัญหาก็คอยเบาบางหรือตกหลุดออกไป กายจึงเป็นขีดสาคัญจึงควรศึกษาพิจารณาให้ทั่วถึงเพราะจิตติดเรื่องของกายหลงเรื่องของกายว่ายิ้งว่ายใจว่าเล่าว่าเขาต่างๆทีนี้พิจารณาให้จิตยอมจํานนเห็นตามเป็นจริงแล้วจะไม่มีอะไรท่องใสจะมีความเบากายเบาใจเสมอไปเหมือนยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะมีความสุข ตานฐานาหน้าที่ของมนุษย์จริงจังเงี่ยแต่กายทําลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นทบชาติต่อไปอีกนี่อาณาสงของผู้ประพฤฏิบัติจะต้องรู้เห็นเด่นชัดในตัวข้องตัวอย่างนั้นฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านที่นิพิจรารณาเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในหน่วมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตัวข้องเรากายข้องเราก็มีใจข้องเราก็มี แตติปัญญาของเราก็มีมันที่นี่พิจารณากำหนดศึกษาความข้องจิตของใจจะหายไปโดยในต่อง ส, งส่องใสทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่าไปงมที่อื่นงมที่อื่นไม่มีทางที่จะแก้เคล็ดปัญหาพิจารณาที่อื่นไม่มีทางที่จะดับทุกข์เพราะทุกข์มันอยู่ในใจเราต้องพิจารณา ใจของเราว่ามันจิดถูกดีชั่วอย่างไรใจยึดถือหรือไม่ถ้าใจในยึดถือทุกก็เป็นทุกเป็นอริยสัจทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ความบริสุทธิ์ทุกทุกเป็นทุกเหตุจะให้เกิดทุกเรียกว่าสมุทยัยมีในใจของเราหรือไม่ตามะตันหาเพราะว่าตันหาจะภาวาตันหา ถ้ามีหมั่นที่นิ่ิี่เจนานํ้นละหน่วยธรรมะของพธธ ร, ระพุทธเจ้าให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์มีโลทะความดับทุกข์จะประากฏในตัวข้องตัว ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าถึงมากมากขนาดไหนก็มารวมอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านฉะ น, นั้นเรามีกายมีใจจึงมีก่อนธรรมะควรกําหนดที่าจนาน่าจะนอนใจ ถ้าฝูมันขยันพยายามติดตามทีนี้พิจารณาจริงจังคนนั้นจะถึงฝั่งคือข้ามโลกได้พระพุทธเจ้าเลยสอนคนอื่นสอนมนุษย์สอนเราใม่ถือว่าเราเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าทันไหมลยแบ่งแยกให้คนอื่น หน้าที่พวกเราคนเดียวนี่แหละถ้าเราไม่ทำแล้วศาสนาถึงจะมีอยู่ดาาดื่นเต็มโลกก็ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรให้ถ้าเราทำคนอื่นเขาจะเสียหายคนที่แค่นขนาดไหนเรื่องคนอื่นเขาเราก็ยังมีศาสนามีธรรมะในใจมีความสุขความสบายตามหน้าที่สเรารู้เราเห็นเราลาเราถอนได้ธรรมะ จึงมีรวมอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านดังนั้นเมื่อได้สะดับรับฟังแล้วจงหมั่นพินิจพารณาำหนดศึกษาให้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะควเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยูุติเพียงแค่นี้